กลับมาพบกันช่วยสองของแวดวงกรำปั้นนะครับยังคงอยู่กับผมเดชากรรัตนเวทหรือแบทฮาปลาพร้อมด้วยคุณสันธชัยผลชีวินนะครับกลับมาพบกันช่วยสองของแวดวงกรำปั้นนะครับยังคงอยู่กับผมเดชากรรัตนเวทหรือแบทฮาปลาพร้อมด้วยคุณสันธชัยผลชีวินนะครับ